แล้วตื่นเช้าขึ้นมาโดยเพรา ะ, ะเช้ามืดอเช้า ต, ตรู่แบบนี้พอรู้สึกตัวเมื่อใดก็ลองยิ้มให้กับตัวเองสักหน่อยนะยิ้มต้องกว้างก็ยิ่งดีมันจะช่วยดึงเอาความช่วยเรียกเอาความ สดชื่นผ่อนคลายมาไว้ในใจของเราเพราะว่าปกติตื่นเช้าอย่างนี้เนี่ยบางทีใจมันก็มีความไม่พอใจอยู่ น, น้อยๆอาจจะรู้สึกว่าโอเช้าเหลือเกินไม่ไหวไม่ไหวอาจจะมีอาการบ่นอยู่ข้างใน อันนี้ทำให้เครียดแต่เพียงแค่เรายิ้มนะยิ้มให้กับตัวเองก็จะรู้สึกดีขึ้นแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่การฉีกยิ้มนะแต่ว่ามันก็มีผลต่อจิตใจนะกายกับใจมันเกี่ยวข้องกันเวลาเราสบายสบายเราผ่อนคลายเรามีความสุขเราก็ยิ้ม นะมันมีผลต่อกายในทางกลับกันพอเรายิ้มนี่มันก็ช่วยให้จิตใจผ่อนคลายด้วยเดี๋ยวเราเรามีความโกรธมีความเครียดลมหายใจนี่มันจะถีมันจะสั้นในอีกด้านหนึ่งถ้าเกิดว่าเราลองหายใจให้มันถีให้สั้นเนี่ย เราจะรู้สึกถึงความอึดอัดความเครียดในจิตใจแต่ถ้าเกิดว่าเราลองหายใจยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆมันก็จะมีผลต่อจิตใจของเราทําให้จิตใจของเราผ่อนคลายอันนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันถ้าเกิดว่าเราทดลองดู เวลาจิตใจเราเป็นอย่างไรมันมีผลต่อกายอย่างนั้นและเราเวลาเราทำกายของเราให้เป็นอย่างนั้นมันก็มีผลไปปรุงแต่งจิตใจของเราให้สอดคล้องกันด้วยนเราเวลาเราเครียดขึ้นมาหรือว่ารู้สึกหม่นหมอง อาจจะมีความกังวลมีความหงุดหงิดในขณะที่เราเดินจงกรมในขาที่เราปฏิบัตินะเราลองนะยิ้มให้กับตัวเองสักหน่อยการยิ้มให้กับตัวเองเนี่ยมันทําให้ใจเราก็จะคลายความเครียดความหงุดหงิดน้อยลง การทอดสายตาก็มีส่วนนะเวลาเราเครียดหรือว่าเราลองง่วงนอนลองมองไปไกลๆนะหรือว่ามองท้องฟ้าที่มันโลง่งหรือเพียงแค่เดินไปในที่ที่โลง่โลงๆนะจากเดิมที่มันเป็นที่ครึ้ม เราจะรู้สึกว่าจิตใจผ่องใสขึ้นปลอดโปรงขึ้นนะความเครียดความตึงนะที่มีอยู่ในใจมันก็คลายความง่วงนะเหมือนกับอยู่ในที่แคบมันก็จะค่อยคลายเป็นความสว่างขึ้นมาเวลาเราเดินเนี่ยถ้าเราทอดสายตาพอดีๆนะจะช่วยให้ ความคิดปรุงแต่งมันน้อยลงถ้าเรามองไปลอยๆมองไปข้างหน้าไม่มีจุดหมายเนี่ยใจก็จะลอยตามไปด้วยนะหรือถ้าเกิดว่าเราก้มหน้ามากไปมันก็จะเครียดได้ง่ายจรีแรกอาจจะเครียดที่ต้นคอก่อนแต่ก็อย่างที่บอกนะกายกับใจก็สัมพันธ์กันพอกายเครียดใจมันก็เครียดบางทีมันจะจิตมันจะเพ่งเข้าในได้ง่าย การปฏิบัตินี่เราก็ต้องรักษาสมดุลให้ดีไม่ให้จิตเพ่งเข้าในหรือว่าส่งจิตออกนอกเพ่งเข้าในก็เครียดส่งจิตออกนอกก็เพลินจนเผลอไปใจลอยเราทอดสายตาพอประมาณๆเนี่ยมันช่วยได้หรือว่าเวลาเราเดินเราสองสังเกตจังหวะการเดินจังหวะการยกมือสร้างจังหวะมันมีผลต่อจิตใจไหม อย่างบางคนเดินเร็วจะรู้สึกว่าฟุ้งง่ายยกมือสร้างจังหวะเร็วๆนะมันก็ฟุ้งง่ายแต่ถ้าเกิดเดินช้าไปหรือว่ายกมือช้าไปก็อาจจะเครียดซึ่งถ้าเราใช้ความรู้ตรงนี้เป็นประโยชน์มันก็ช่วยในการปฏิบัติได้นะอย่างเช่นเวลา ง, ง่วงๆเนี่ย พอเราเดินเร็วขึ้นพอเรายกมือสร้างจังหวะเร็วขึ้นมันก็ช่วยทำให้หายง่วงเพราะมันไปไปกระตุ้นให้จิตมันปรุงแต่งความคิดขึ้นมาไอ้ตรงนี้มันก็ช่วยทำให้นิวรคือความง่วงนี่มันคลายลงไปได้แต่ไม่ใช่ไปหาเรื่องคิดนะเราเป็นกะอาศัยกายนี่มาช่วยช่วยใจเป็นการช่วย แก้อารมณ์บางอย่างบางชนิดได้ไ ม, ม่ว่าจะเป็นความเครียดความหงุดหงิดนะความง่วงความฟุ้งซ่านพวกนี้เนี่ยเราสามารถจะแก้อารมณ์ของเราได้ด้วยการใช้ใช้กายของเรานะให้กายมาช่วยใจถ้าเราเห็นความสัมพันธ์ของกายกับใจนี่มัน เราจะเข้าใจตัวเองได้ง่ายแล้วเราก็สามารถจะใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เอาคนเวลามีความสุขเนี่ยเขาก็มีน้ำใจอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นนะอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะพอรู้กันอยู่แต่สิ่งที่ไม่ค่อยรไม่ค่อยรู้กันก็คือว่าพอไปช่วยคนอื่นก็ส่งผลทำให้ใจเป็นสุขด้วยที่แลกความสุขเป็นเหตุนะ การช่วยเหลือเกื้อกูลการมีน้ำใจผู้อื่นเป็นผลแต่พอเราลองอช่วยเหลือคนอื่นดูบ้างไปเป็นจิตอาสาอันนี้เรียกว่าสร้างเหตุผลก็คือเกิดความสุขในจิตใจมันเหตุกับผลนี่มั น, ม, นมันสลับกันได้เหมือนกับที่บอกนะถ้าเราเครียดเราก็บึ้งตึงและถ้าเราทำหน้าบึ้งตึง มันก็มีฝนทําให้ใจเราเครียดได้ง่ายเวลาเรามีความสุขเรายิ้มในทำนองเดียวกันถึงแม้เราไม่มีความสุขแต่เรายิ้มซะก่อนฉีกยิ้มไว้ก่อนนี่มันก็ช่วยทําให้ความสุขค่อยๆเกิดขึ้นในใจมันก็ว่ารอยยิ้มมันเป็นเรียกความสุขเรียกความผ่อนคลายความเบิกบานให้มานั่งในใจเราการมาปฏิบัติเนี่ยมันช่วยทําให้เรารู้กายรู้ใจดีขึ้น แต่ก่อนเราไม่ค่อยรู้กายรู้ใจหรอกเพราะเราส่งจิตออกนอกนะส่งจิตออกนอกนะเราก็เลยไม่รู้กายรู้ใจเพราะเราไม่เคยหันมาเข้ามาดูใจดูกายตัวเองเลยแต่พอเราเริ่มมาปฏิบัติแบบนี้เนี่ยนะใจมันก็เริ่มกลับมารับรู้รู้กายรู้ใจนะชัดเจนขึ้นแล้วมันก็จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจไอ้ตรงนี้แหละที่จะช่วยทำให้ เวลาเรามีความทุกข์ใจเราก็อาศัยกายเนี่ยไปกระตุ้นไปช่วยชุบชูจิตใจขึ้นมาหรือเวลากายเราไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะเราก็อาศัยใจนี่ช่วยนะเช่นเวลาป่วยนะกายมันไม่ค่อยดีนะกายมันมีความความทุกข์ขึ้นมาเราก็ พอใช้สมาธิเขาช่วยนะพอใจมีสมาธินี่ความปวดกายมันก็ทุเลาลงหรือเพียงแค่มีความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยก็ช่วยทําให้ความเจ็บปวดที่กายมันทุเลาด้วยที่มันทุเลานี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าพอมีความรู้สึกตัวเนี่ยใจมันจะไม่เป็นลบแล้วบ่อยครั้งเนี่ยพอใจเป็นลบเนี่ยมันก็ไป ไปซ้ำเติมกายทําให้ยําแย่ไปด้วยนะเช่นเครียดบนวอยวายหรือว่านึกไปในทางลบตรงแต่งไปแล้วว่านี่นฉันป่วยแบบนี้งานที่คาอยู่จะทํำยังไงหรือว่ากลัวว่าเนี่ยเราจะเป็นโรคไรเป็นมะเร็งหรือไม่เนี่ยนะายมันแย่พอใจมันแย่มันก็ไปซ้ําเติมกายนะ แต่พอเรามีความรู้สึกตัวขึ้นมานะมันหลุดนะมันหลุดจากอารมณ์หรือความคิดที่ปรุงแต่งได้พอรู้สึกตัวแล้วใจก็สบายพอใจสบายมันก็ไปดึงกายให้ดีขึ้นนะหรือว่าอย่างน้อยก็ปวดน้อยลงถ้เาเวลาคนที่ปวดมากๆเนี่ยถึงขั้นบนวนวอยวายพอเราเรียกความรู้สึกตัวเขากลับมาเช่นเรียกชื่อเขา หรือว่าลองกลุมมือเขาบีบมือเขาแล้วก็ให้เขาลองทำความรู้สึกไปด้วยว่าเออเวลาเรากลุมมือเขาเราบีบมือเขาให้เขาภาวนาว่าพุทธเวลาเราปล่อยมือให้เขาภาวนาว่าโทเราบีบมือเขาให้เขาคิดว่าพุทธเราปล่อยมือเขาเขาภาวนาว่าโทหลายคนก็ทำแล้วความรู้สึกเจ็บปวดมันน้อยลงที่จะปวดน้อยลงเพราะว่าใจมาอยู่ที่มือ ใจมาอยู่ที่มือที่เรากำล้วก็เขามีความรู้สึกตัวมากขึ้นจากการที่เราช่วยเขานะกายกับใจนี่มันช่วยกันนะแต่ถ้าถ้าไม่รู้จักตัวเองไม่รู้กายรู้ใจนะไอ้กายกับใจนี่แหละมันกลับซ้าเติมตัวเองเวลาเงินหายแทนที่จะหายแต่เงินนะแทนที่จะเสียแต่เงินใจก็เสียด้วยเอาแต่คุณคิด เสียใจเงินที่หายไปพอใจเสียแล้วนะถ้าเสียมากๆนะกายมันก็แย่ก็คือป่วยเลยนะเครียดจนป่วยเสียใจจนป่วยมีนะเสียใจจนล้มป่วยเนี่ยก็เรียกว่าเสียสุขภาพแล้วไม่ใช่แค่เสียใจเสียสุขภาพส่งผลทําให้เสียงานพอเจ็บป่วยแล้วก็ไปทํางานไม่ได้หรือถึงแม้ไม่เจ็บไม่ป่วยนะ แต่พอเสียใจมากๆก็เครียดเครียดก็ทำให้มีไม่มีสมาธิกับงานใจลอยใจหมกมุ่นพอไม่มีสมาธิกับงานงานมันก็เสียใชและพองานเสียใจก็ยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่แล้วพอเครียดแล้วนี่ไปอยู่กับลูกไปอยู่กับสามีไปอยู่กับภรรยาไปอยู่กับพ่อแม่ก็เครียดระบายอารมณ์ใส่เขามันทีเขาไม่รู้เนือ้อรู้ตัวเลย แค่พูดบางอย่างที่ที่ธรมธรมดาธรรมดาแต่มันกลายเป็นผิดถูไปซะละเพราะเราเครียดเนี่ยเราเครียดเป็นทุนอยู่แล้วเราก็เลยว่าเขาตว่าใส่เขาความสัมพันธ์ก็เลยแยกไปด้วยนะโดยพราะถ้ากับเพื่อนด้วยนี่ความสัมพันธ์อาจจะเสียไปเลยนั่นนี่เรียกว่าทีแรกเสียงานที่แรกเสียเงินตอนหลังก็เสียใจตอนหลังก็เสียสุขภาพ ตามมาด้วยเสียงานแล้วก็เสียความสัมพันธะ์นี่เพราะเราไม่รู้จักระวังรักษาใจของเราให้ดีนะเพราะไม่รู้ตัวไงไม่รู้ใจนะใการรู้ตัวนี่สำคัญมากมันจะช่วยทําให้เวลามีอะไรมากระทบหรือทําให้เกิดเหตุร้ายขึ้นมาความสูญเสียหรือผลเสียนี่มันจะถูกจํากัดวง ไม่บานปลายไม่ลุกลามเสียแต่เงินใจไม่เสียสุขภาพไม่เสียงานไม่เสียความสัมพันธ์ไม่เสียแต่ถ้าไม่รักษาใจนี่มันปลายกันใหญ่มีคนหนึ่งสามีอ่ภรรยาพวกวาระตเองเป็นมะเร็งนะสามีก็เครียดเลย สามีเครียดอาจจะเป็นเพราะรักภรรยามากเป็นห่วงภรรยามากนะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าภรรยาก็เริ่มจ ะ, ะทำกิจทำการงานทำกิ จ, จวัตรได้ไม่ไม่ไม่ไมไม ค, คล่องแคล่วเหมือนก่อนกลายเป็นภาระให้กับตัวเองต้องมาช่วยงานบ้านบ้างเครียดมากมากบอกกว่าแกเจลโลหิตในสมองแตกเลยกลายเป็นอมัอมาพาตอัมพาตไปเลย คือแทนที่ตัวเองเนี่ยจะช่วยภรรยาภรรยาป่วยหนักแทนที่ตัวเองจะเป็นฝ่ายช่วยภรรยาบอกว่าในสุดภรรยาต้องมาช่วยดูแลสามีภรรยาเป็นมะเร็งอยู่แล้วต้องมาดูแลสามนะีเรียกว่าสร้างภาระให้กับภรรยาแล้วก็เป็นการซ้ำเติมตัวเองด้วยนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเดิมทีก็ไม่เป็นอะไรนะเพียงแต่ว่าห่วง เพียงแต่ว่าเครียดที่ภรรยาไม่สบายแต่พอไม่รักษาใจนะปล่อยให้ความเครียดมาเล่นงานจมอยู่ในความเครียดมากๆนี่ฉลุดในสมองแตกเลยหนักกว่าภรรยายคนนี้นะหรือบางคนตั้งใจดีอยากจะช่วยภรรยาภรรยาเป็นพิการเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุตัวเองขับรถกลางคืนแล้วก็รถมันคว่ํา ภรรยานั่งไปด้วยก็เกิดพิการตั้งแต่ตั้งแต่คอลงมาสามีก็เสียใจนะช่วยดูแลภรรยานะดูแลภรรยาทั้งวันเลยแล้วก็มีที่จริงก็มีคนช่วยนะจ้างคนมาช่วยแต่ว่าแกก็ไม่ยอมแกก็ยืนกรานจะดูแลภรรยาแต่ว่าไม่รักษาใจไง เลยเครียดนะพอทําเป็นปีก็ผ่านไปหนึ่งปีเริ่มเครียดหนักมาเครียดหนักทํำยังไงก็ด่าว่าภรรยาภรรยาก็แนะนําว่าเครียดก็ไปพักก่อนก็ได้ไปทํางานนะคือแกไม่ได้ทํางานเลยลางงานมนาะดูแลภรรยาดีมากแต่ว่าไม่รักษาใจเครียดมากนะงานก็ไม่ได้ทำแล้วต้องมาดูแลภรรยาพอเครียดมากมากก็ ระบายอารมณ์ใส่ภรรยาบางทีก็ทุบตีภรรยาด้วยนะเอามือเอามือทุบขาภรรยาไม่รู้สึกกันนะเพราะว่าเอามาพลาดไปแล้วแต่เขาก็ยิ่งระบายอารมณ์ใส่ในะเอามือทุบขาภรรยาด้วยความโกรธโทษคงลึกๆคงโทษภรรยาวะเนี่ยทาให้ทําให้ตัวเองต้องมาเป็นแบบนี้ทําให้ตัวเองต้องมานั่งจมอยู่แบบนี้อันนี้ มันผิดเพียนไปแล้วนะจากคนที่อยากจะช่วยภรรยาด้วยความหวังดีกลายเป็นทำร้ายภรรยาไปแล้วอันนี้เพราะความเครียดเพราะความไม่รู้ตัวนะอันนี้เราต้องการรู้ตัวนี่สาคัญมากนาะจะรู้ตัวได้ต้องมีสตินะสติมันทำให้เราลึกรู้นะเวลากายเคลื่อนไหวนะมีสติก็รู้กายเวลาใจคิดนึก ถ้ามีสติมันก็รู้ความคิดนึกรู้ว่ากำลังใจลอยแล้วนะปกติคนเราเนี่นะใจมันลอยง่ายอยู่แล้วใจลอยลอยไปถึงงานบ้างลอยไปอย่างพวกเราจะลอยไปถึงบ้านบ้างไปที่ทำงานบ้างลอยไปหาลูกไปหาสามีบ้างมันประจํานะใจลอยคนทั่วไปเป็นอย่างนั้นใจลอยได้ง่าย บางทีก็เรียกว่าไหลนะใจไหลเดินจงกลมสักพักอ้าวเดี๋ยวไหลไปละไหลไปที่ครัวบ้่งไหลไปที่กุเิบ้างไหลไปหาแฟนบ้างลอยไปไหลไปแล้วเดี๋ยวก็จมเลยนะจมจมอยู่ในอารมณ์คนเราส่วนใหญ่นะัถ้าไม่ถ้าไม่ใจลอยนะมันก็ใจจมคือจมอยู่ในอารมณ์ ซึ่งมันก็สัมพันธ์กับใจที่ลอยเนี่ยคือพอใจลอยปรุงแต่งคิดถึงลูกคิดถึงงานการคิดถึงพ่อแม่คิดถึงแฟนพอคิดเข้าเนี่ยเกิดความเป็นห่วงเกิดความกังวลเกิดความเครียดขึ้นมามันจมเลยนะมันจมเข้าไปในอารมณ์บางทีจมในความเศร้าจมในความความเสียใจจมในความเครียดจมในความโกรธก็มีนะ ใจลอยไปนึกถึงเพื่อนนะที่เขาทำไม่ดีกับเรามันฉุดเลยนะมันฉุดใจให้จมอยู่ในอารมณ์แค้นโกรธแลวคนส่วนใหญ่ก็ในภาวะปกติก็มีแค่นี้แหละไม่ลอยก็ไหลหรือไม่ไหลก็จมนะลอยไปในความคิดไหลเข้าไปในเรื่องราวต่างๆผู้คนต่างๆเสร็จแล้วก็ จมเลยพอจมในอารมณ์ก็กลายเป็นคนอมทุกข์นะแต่ถ้าเรามีสติเราจะเห็นเราจะรู้ทันเวลาใจมันลอยใจลอยกอ็รู้ตัวเพราะแค่รู้ว่าคิดไปมันก็ความคิดมันก็ดับไปนะเวลารู้ว่าจมอยู่ในอารมณ์ สติมันก็ช่วยดึงจิตออกจากอารมณ์นั้นได้กลับมาเป็นปกติใหม่เราลองสังเกตดูกันแล้วกันนะเรามาปฏิบัติได้สองวันสามวันสี่วันก็จะเห็นนะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะเวลาปฏิบัติทีไรใจก็ลอยลอยแล้วก็ไหลไหลแล้วก็จมนะกินข้าวใจก็ลอยนะอาบน้ำใจก็ลอยเสร็จแล้วก็จม ให้เราให้เราลองหมั่นสังเกตดูให้การหมั่นสังเกตนี่แหละจะเป็นการช่วยทาให้สติเนี่ยมีกำลังนะแลช่วยทำให้เราปล่อยวางความคิดและอารมณ์ต่างๆได้มันทำให้ใจโปรง่งใจเบาสบายนะไม่ถูกครอบ ง, งมด้วยความคิดและอารมณ์ต่างๆแลวมันทำให้จิตใจเรามีความสมดุลมากขึ้นนะ ทุกวันนี้เนี่ยเราใช้ความคิดมากเกินไปนะเราถูกฝึกมาให้เป็นคนคิดเก่งนะตั้งแต่เรียนละบางทีตั้งแต่อนุอนบาลแล้วก็คิดแล้วคิดประถมมัธยมก็คิดคิดนะออกจากโรงเรียนอยู่บ้านก็คิดนะมีเรื่องให้คิดมากมายคนทุกวันนี้คิดเก่งแต่ว่า วางความคิดไม่ได้คิดเก่งเนี่ยจนกระทั่งความคิดนี่มันกลายเป็นนายเรานอนก็คิดกินก็คิดขนาดยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมก็คิดความคิดนี่มันเหมือนเครื่องจักรที่มันไม่ยอมหยุดแล้วมันกลายเป็นนายเรามันสั่งให้เราคิดตลอดเวลาทั้งที่เราบอกไม่อยากคิดแล้วฉันจะนอนแล้วมันก็ยังคิดอยู่มันจะปลุกให้เราตื่นขึ้นมามันจะปลุกให้เรา คิดเรื่อยๆนะคิดไม่หยุดบางคนคิดจนเป็นบ้าเลยหยุดคิดไม่ได้ก็เลยฆ่าตัวตายนคนบางคนนี่เขาไม่รู้ว่าเขาจะหยุดคิดยังไงเขาก็นึกได้ทางออกทางเดียวคือฆ่าตัวตายเฉยๆจะได้หยุดคิดมันจะได้หยุดทุกเีนอันนั้นไม่ใช่ทางนะเราสามารถสร้างสมดุลให้แก่จิตใจได้ด้วยการรู้จักวางความคิดนะ การเจริญสติมันช่วยทำให้เราวางความคิดได้คิดเก่งก็ดีแล้วนะแต่ถึงเวลาจะหยุดคิดก็หยุดได้ถ้าคิดเก่งจะหยุดความคิดไม่ได้ก็เหมือนกับเครื่องบินซึ่งสามารถที่จะทะยานขึ้นฟ้าได้แต่ลอดลงดินไม่เป็นนะนักบินที่รู้จักแต่พาเครื่องบินขึ้นฟ้าแต่ว่าไม่รู้จักพาเครื่องบินลงนี่ก็อันตรายนะแต่ก็มีนะ พวกที่ไปก่อการร้ายพาเครื่องบินไปชนตึกโรเจอร์เซ็นเตอร์เมื่อปีเมื่อสิกาปีที่แล้วนี่ตอนที่เขาไปเรียนหัดเครื่องบินเนี่ยเขาเรียนแต่เฉพาะพาเครื่องบินขึ้นนะแต่ก็ไม่เรียนในการเอาเครื่องบินลงให้ครูสอนก็แปลกใจนะเอ๊ะทำไมมันมันเรียนแค่นี้นะมาเรียนแค่ครึ้นกลางกลางแตพอเไม่ต้องการจเจ้าเครื่องบินลงก็จเจ้าเครื่องบินชนไง แต่อนตาตมาแน่ใจพวกเราคงไม่ต้องการให้ชีวิตของเราเป็นแบบนั้นนะคือว่าขึ้นได้แต่ลงไม่ได้คิดเก่งแต่วางความคิดไม่ได้เราต้องรู้จักนะเก่งทั้งเรื่องคิดแล้วก็เก่งทั้งในเรื่องการวางความคิดเมื่อใดที่ต้องการจะพักใจอ้าวก็วางความคิดได้หันมาเดินจงกรมสร้างจังหวะตามลมหายใจ อันนี้เราคนเป็นคนที่รู้จักเรียนผูกแล้วก็ต้องเรียนแก้ด้วยไม่ใช่ปลูกเก่งเป็นปมเก่งแต่ว่าแก้ไม่ได้ชื้อของคนจำนวนมากเนี่ยมันเต็มไปด้วยปมเพราะเก่งในการปลูกปมแต่ว่าไม่รู้จักวิธีการคลายปมอันนี้พรเก่งแต่คิดเนี่ยแต่ว่าไม่รู้จักการวางความคิดนะเราใช้แต่เหตุผลแต่เราไม่เคยสร้างความรู้สึกตัวให้มีขึ้น พวกเราใช้เหตุผลเก่งจนเหตุผลเปนครอบงำเราจนหมดเนื้อหมดตัวไม่มีความรู้สึกตัวนั้นเรามาปฏิบัติเนี่เพื่อสร้างความรู้สึกตัวให้มีขึ้นมันก็เรื่องเดียวกับการปล่อยวางความคิดนะการปฏิบัตินี่ไม่ต้องใช้ความคิดเลยนะไม่ต้องใช้เหตุผลอะไรเลยก็ได้เพราะเราใช้เหตุผลมาเยอะแล้วเพียงแค่เราฟังว่าเออมันมีความเปลี่ยนไปได้หรือว่ามัน มันน่าจะเป็นไปได้นะเราใช้ผลพิจารณาจากการฟังครูบาอาจารย์พูดว่าสติสำคัญยังไงหรือว่าคนเราทุกข์เพราะเหตุใดเนะพราะใจที่วางไว้ไม่ถูกต้องเราพิจารณาก็เห็นจริงตามนั้นอันนี้เราใช้เหตุผลเราใช้ความคิดแต่พอล ง, ลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยลองวางเหตุผลลองวางความคิดลงนะเราใช้แต่ความรู้สึกตัวนะ การจนสติอย่างที่หลวงพ่เทียนแนะนํานี้ไม่ต้องใช้ความคิดเลยไม่มีบริกรรมแม้แต่น้อยนะบางทีต้องการบริกรรมก็เป็นการใช้ความคิดอย่างหนึ่งนะเช่นหายใจก็พูดหายใจออกโทรหรือว่าเดินซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอนี่ก็เป็นการใช้ความคิดระดับหนึ่งนะแต่ว่ากา ร, ร, ก ร, รปฏิบัติหลวงพ่อเทียนนี้ไม่ต้องใช้ความคิดคือเลิกบริกรรมไปเลยให้แค่ใช้ความรู้สึกตัว คือใช้ความรู้สึกนะเวลากายเคลื่อนไหวก็รู้สึกนะเวลามือยกก็รู้สึกนะเวลาเดินก็รู้สึกรวมไปถึงเวลากินข้าวเวลาอาบน้ําถูฟันก็รู้สึกให้ความรู้สึกกายเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะไปดึงเอาความรู้สึกตัวหรือมันจะไปบ่มเพาะความรู้สึกตัวให้เกิดมีขึ้น เมื่อเรารู้สึกบ่อยๆเนี่ยเวลาใจลอยไปใจเผลอไปใจไหลไปอความรู้สึกมันจะเรียกล ก, กลับมามันจีเรกจิตกลับมาพอจิต ก, กลับมาอยู่กันเนื้อกับตัวนะความรู้สึกตัวก็มีขึ้นให้ความรู้สึกถึงกายเคลื่อนไหวต่อความรู้สึกตัวนี่มันมันช่วยกันนะพอเรารู้สึกมันก็ดึงจิตให้กลับมาอยู่กันเนื้อกับตัวก็รู้สึกตัวพอรู้สึกตัวเข้าความรู้สึกก็จะ มีขึ้นเกิดขึ้นหรือชัดขึ้นถ้าเราใจลอยนะมันไม่รู้สึกนะมันไม่รู้สึกว่ามือกำลังยกหรือว่าเท้ากำลังเดินแต่ถ้ายังเดินจงกลมต่อไปสร้างจังหวะต่อไปเดี๋ยวรู้สึกละความรู้สึกมันก็เหมือนกับเรียกจิตให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวความรู้สึกตัวก็ตามมาพอความรู้สึกตัวมาพอความรู้สึกตัวตามมา ความรู้สึกที่ยกมือความรู้สึกที่เดินมันก็ชัดขึ้นแต่ไม่ใไม่ได้ชัดแบบเพ่งนะถ้าชัดแบบเพ่งนี่มันไม่ใช่นะมันเป็นการเจริญสติแบบให้ใจเนี่ยเป็นธรรมชาติธรรมดาซึ่งก็ช่วยทำให้จิตใจผ่อนคลายแล้วก็เกิดสมดุลนะในชีวิตของเรานะ แล้วมันทาให้ต่อไปนี่เราก็จะเลิกซ้ําเติมตัวเองเวลามีอะไรเวลาทําอะไรก็จะไม่ซ้ําเติมเวลาทํางานนะก็จะเหนื่อยแต่กายนะใจไม่เหนื่อยบ่อยครั้งเรามักจะโทษเจ้านายว่าให้งานเราเยอะหรือว่าเอางานของคนอื่นมาให้เราทําแต่เราลืมไปว่า ทันทีที่เราบน่นทันทีที่เราโวยวายอันนั้นเรากำลังเพิ่มความทุกข์ให้แก่กายและใจของเราอันนี้เรียกว่าซ้าเติมตัวเองนะคือไม่ใช่แค่เหนื่อยกายนะแต่เหนื่อยใจด้วยเป็นเพราะเราไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้เท่าทันจิตใจของเราเวลาเราป่วยเราก็เลยไม่ได้ป่วยแต่กายเราป่วยใจด้วยใจที่เครียดใจที่กังวลใจที่บน่นตีโพยตีพายโวยวายทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้น รู้เถอะรู้หรือเปล่าว่า น, นั่นแหะคือการซ้ำเติมตัวเองนะไอ้โรคภายไข้เจ็บอาจจะเกิดจากเชื้อโรคนะอาจจะเกิดจากอาหารที่เป็นพิษซึ่งอาจเป็นผลจากเป็นผลงานของคนอื่ น, นเขาทาอาหารที่เป็นพิษให้เรากินแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักรักษาใจนะมันก็จะป่วยแต่กายใจไม่ป่วย แต่เป็นพาะเราไม่รู้จักรักษาใจเราไม่รู้เท่าทันใจตัวเองปล่อยให้ใจลอยใจไหลใจจมมันก็เลยซ้าเติมตัวเองนะมีความป่วยใจตามมาด้วยและต่อไปถ้าเรารักษาใจของตัวเราเองได้ก็จะรู้จักวิธีชุบชูบจิตใจนะเวลาเวลาใจท้อนอกจากจะเห็นเห็นทันรู้ทัน ความสุดท้อที่ครอบงำใจแล้วยังสามารถปลุกใจให้สู้ขึ้นมาได้ใจมันบ่นว่าไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวพอเรามีสติรู้เราเปลี่ยนกับทันทีบอกมันเลยว่าไหวสิไหวสิทนได้สบายมากทนได้สบายมากเราจะรู้จักปลุกจิตปลุกใจให้ขึ้นมาจากที่เคยท้อก็กลายเป็นมีกาลัง แล้วเราสามารถจะปลุกใจของเราได้ไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าวันนั้นเป็นวันเสาร์ตอนบ่ายแดดร้อนมากแดดแรงมากจนต้องไปนั่งอยู่ในห้องแอร์ขณะอยู่ในห้องแอร์ยังรู้สึกอ้าวเลยนะนั่งอยู่ได้สักพักบอกว่าได้ยินเสียงปรายศนีเรียกแจงงุดหงิดมากไม่พอใจเพราะว่าไม่อยากออกไปรับ พอถ้า อ, ออกไปรับจดหมายเนี่ยต้องไปเจอแดดเจออากาศร้อนอ้าก็เลยทำเป็นไม่ได้ยินแต่บุรุษปรชนีรู้ว่ามีคนอยู่ก็เลยรอรออย่างเดียวไม่พอร้องเพลงด้วยร้องเพลงลูกทุ่งนะร้องจนกระทั่งเจ้าของบ้านต้องออกมารับมารับเสร็จก็เลยถามปรชนีว่าอากาศร้อนอย่างนี้ทำไมยังมีอารมณ์ร้อนร้องเพลงลอีกเหรอ ใจนี้แกก็อารมณ์ดีนะทั้งที่เหงื่อแกโชกนะทั้งตัวแกบอกว่าโลกร้อนแต่ใจถ้าใจเย็นมันก็เย็นครับผมร้องเพลงแล้วใจเย็นใจสบายครับ น, ะ น, นี่คนที่ตากแดดนะเจอแดดแต่ว่าใจเป็นสุขขณะที่คนอยู่ในห้องแอร์แต่ว่าใจเป็นทุกข์หมุดหิด น, นะมันต่างกันตรงไหนนะไม่ได้ต่างกันเฉพาะแค่สิ่งแวดล้อมแต่ต่างกันที่ใจถ้าวางใจไม่เป็นอยู่ในห้องแอร์ก็ร้อนแต่ถ้าวางใจเป็น รู้เท่าทันความหงุดหงิดสามารถปลุกใจให้เป็นสุขชื่นบานได้เจอแดดร้อนใจก็เย็นได้เหมือนกันคนเราจะใจร้อนใจเย็นนี่ไม่ไม่ได้ที่สิ่งแวดล้อมแต่มนอยู่ที่ใจด้วยนะว่าเรารู้จักวางใจอย่างไรหรือรู้จักทำใจให้ให้เป็นบวกหรือว่าเป็นลบหรือเปล่าอันนี้ก็ลองศึกษาดูนะจากการปฏิบัติของเรา อาชานี้ก็พูดกับทนนี้อกลับครับ